พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4พระสูตรที่8โคปกะโมคคลานสูตรสูตรว่าด้วยพรามชื่อโคปะกะโมคคลานะพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วไม่นานพระอ น, นุ์อยู่ในเวลุวนาวรามใกล้กรุงราชเครืพระเจ้าอาชาศัตรูกำลังให้ซ่อมแซมกรุงราชเครือเพื่อส่งต้อนรับพระเจ้าจันทปรโชด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 3. ยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้หรือสันโดษ 4. ได้ชาญสี่ตามต้องการ 5. แสดงฤทธิ์ได้ 6. มีหูทิพย์เกำหนดรู้จิตใจของผู้อื่น 8. ประลึกชาติได้ 9. มีตาทิพย์10ทำอาสวะให้สิ้นวัฏการพราม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 พระโคดมทรงสรรเสริญฌานทุกชนิดหรือไม่ตอบว่าไม่ได้ทรงสรรเสริญฌานทุกชนิดแต่จะไม่สรนเสริญฌานซึนท่ทั้งหมดก็หาไม่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสสรรเสริญผู้บำเพ็ญฌานอย่างไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับนิวรห้าคือกิเลสอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีปล่อยให้นิวรครอบงำตรัสสันเสริญภิกษุ ผู้สงัดจักกามสงัดจักอากุศลธรรมบำเพ็ญฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่วัศการพรามยอมรับว่าพระโคโดมทรงติฌานที่ควรติทรงสรรเสริญฌานที่ควรสรรเสริญแล้วลาไปโคปะโมคลลานะพรามพูดกับพระอ น, นุ์ว่ายังไม่ตอบคำถามของตนพระอ น, นุ์ว่าตอบแล้ว